ที่ยอมจะถามถามอะไรอันนี้ยอมเล่าให้ฟังนะไม่ไดถามแบบนี้อันนี้เล่าให้ฟังเรื่องการดูลมอ่ะมันมันเป็นความความรู้ได้ยังไงอย่างเงี้ยเรื่องกรณีอย่างนี้เขาแล้วกลมาถามรันรั่วเขามาถามมันรั่วเขาไปดูลมแทนไปคิดเรื่องอื่นใช่ครับและแจิตมันก็ดึงกลับมาว่าเดูลมไหมแต่รา พอจิตมันย้อนไปอีกก็ดึงกลับมาแล้วมันต้อมาตั้งคาถามคือมันแปลกตรงนี้ตัวเราอะมันตั้งคําถามคือที่ไม่รู้ตัวและอีกคนมันก็ตอบที่ที่เราไม่รู้ตัวแล้วที่เราไขตอบจริงไงจริงๆก็ไอจิตนั่นแหละจิตมันทําหน้าที่ตั้งประเด็นขึ้นมาแล้วก็จิตทําหน้าที่ในการถาม Music, แล้วก็ในการตอ บ, บ, บ, บใช่ไ ห, ห<ม>ไหมดีนะว่าไอจิตที่ตั้งคําถามกับจิตที่ตอบเนี่ยมันเป็นกุศลและจิตไง ไอจิตที่ไปยินดีไปเห็นผู้หญิงสวยๆแล้วมันชอบเนี่ยมันเป็นอคุศและจิตใช่ครับพอไปชอบขึ้นมาไปเสร็จปุ๊บมันก็เลยฉุกคิดขึ้นมาเอามันก็ฉุกคิดขึ้นมาไอจิตที่ฉุกคิดขึ้นมาเนี่ยเป็นโยนิโสมันเป็นจิตดีว่าเออเราไปชอบมันตรงไหนเนี่ยถ้ายิ่งเนี่ยจิตดีมากกว่านั้นมันจะโกงแต่งมากกว่านั้นว่าเออไปชอบได้ยังไงวะใช่ไหมในลําไส้มันมีตั้งเต็มไปด้วยอุจจาะเงี้ยมันจะเห็นเริ่มเริ่มชัดแล้วตอนเนี้ย โอ้มีแต่ไตบ้างมีแต่ตับบ้างมีแต่ปอดบ้างมีแต่หัวใจมีแต่ม้ามบ้างมีแต่เอาไ ว, ว้วะที่เป็นของไม่สะอาดเต็มไปหมดเลยเนี่ยมีหนังห่มอยู่เท่านั้นเองมีเครื่องประดับก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตบปอดเนี้ยโอ้ไม่ได้มีเพชรนินจินดาอยู่ในนั้นเลยกูบ้าเลยวะไปชอบอะไรกันอย่างเงี้ยนี่มันถ้าไปเห็นอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้ีห็นของความของความจริงนี่อ น, นี่ข้อมูลไงนี่ข้อมูลไม่ถึง ถ้เหมือนข้อมูลพวกไอเรียนอนาตอมีกายวิภาคมามันเห็นถึ ง, งนี่พวกนี้ยมันเห็นหมดใช่ไหมละ่ะมันเห็นว่าความจริงมันเป็นแบบนี้แต่ว่าบางคนเรียนปั๊บกลับไปคิดอีกมุมหนึง่งโอ้โห ว, วิจิตจริงจริงโอ้โหสุดยอดมันก็เลยเป็นมองสวยซะอีกทั้งทั้ที่เรียนเรื่องนี้ยแต่ถ้ามองด้วยปัญญาโอ้โหเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการอะต่างๆมีทั้งดีเสเลตหนองเลือดเหงื่อมันค้นน้ําตาปเปรีมาันน้าลายน้ําปัสสาวะใช่ไหม รอวันปทุอย่างเดียวนั่นแหละโอ้เหมือนฝีแตกเลยว่ามันแตกเป็นระยะระย ะ, ะ, ยะเดี๋ยวก็ผุเดี๋ยวก็แตกออกมาเดี๋ยวก็แตกออกมาโอ้โหกูบ้าเลยว่าถุงหนังใช่ไหมถุงหนังหออุจจาระแทะ้ๆโอ้โหเนี่ยกูเที่ยวมาชอบมาเชื่นชมมาเลยว่าเนี่ยวันๆหนึนน่งมันก็หาเครื่องประดับมาทาถุงหนังแต่งถุงหนังแล้วก็ไปเชื่องชมว่าโอ้โหถุงหนังนี่สวยเหลือเกินว่ามั้นจะหอมเหลือเกินแท้จริงไหนได้โอ้โหข้างในเป็น ข้างในมีแต่อุจจาระปัสสาวะมีแต่ของไม่สะอาดมีน้ำสามส่วนตินส่วนเดียววงั้นเถอะพ่อเห็นอย่างนี้ไปเสร็จปุ๊บมันเอาทาสีแดงๆมาทาโอ้โหทาไปเหอะแต่กูรู้แล้วความจริงข้างในมันคืออะไรมันจะตกแต่งว่ากูรู้แล้วข้างในมันคืออะไรมันเห็นความจริงเงี้ยท่านยิ้มเห็นงี้ไหมเห็นแบบนี้ป่ะครับเลยท่านต้องเห็นทุกครั้ง ไม่เห็นหรอกครัก็กดูกายตัวเองนี่แหละไม่ต้องไปดูกายคนอื่นกองมันก็ไม่ต่างกันเลยเรากกายของเราฉันดใดกายคนอื่นก็ฉันนัน้นแลราะง้วเดี๋ยวเรายังไงอาจารย์ถึงได้เห็นอย่างนี้อ๋อมันนักสักการบ่อยๆเพราะเราไม่ได้นัสกการไม่ได้ใส่ใจบ่อยๆใช่ไหมมันนักสการแบบอสุภะสัญญาบ่อยๆเพราะเราไม่เราไปเห็นด้วยความเป็นของงามมากกว่าเห็นด้วยความเป็นของไม่งามไง มันก็เลยกิเลสก็เลยมีกําลังมากกว่าปัญญาแค่นั้นเองถ้าเรามาเทศกาลเห็นความจริงว่าไม่งามตลอดเวลาในส่วนจริงเนี่ยต่อให้เอานางงามจักรวาลมามันก็เห็ น, นก็เห็นโอ้ย<อ>นี่แบกขี้มาไว<ๆ>้แบกถุงหนังมาไว้ดูมันเดินดูดูดูดูดดลักมันยักย้ายถ่าเทไออุจจาะในลําไส้มาดูเคลื่อนไปเคลื่อนมาไอไส้ลําไส้เอ้ยไตเอ้ยตับเอ้ยห้อยเลียงใหญ่หัวใจก็ทํางานปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโหไม่มีอะไรเลยมีแต่โครงล่างกระดูกเพางั้นจะมีหนังหุ้มอยู่ ะนจบอกว่าอาการลักษณะแบบนี้ยตาที่เยิ้มด้วยยาหยอดไ้ยหน้าที่ไร้ด้วยจุนเพระจะหลอกคนโง่ให้หลงไหลมวัวเมาได้จะไปหลอกคนที่หวังปรารถนาพริพพานไม่ได้เด็ดขาดบอกงั้นนะไม่ได้<ม>คนที่ปรารถนาฝั่งคือพระนิพพานไม่มีทางจะร่วมหลงกับสิ่งเหล่า น, นี้ไปหลอกคนโง่โง่ได้ บ, บอกงั้นเต้คือเห็นจริงเห็นแท้ มันต้องมาเห็นซ้ำจนจนเบื่อจริงจเห็นจริงต้องเห็นบ่อยๆต้องใช้ปัญญาไปพาบ่อยๆพาพาพาชั่งแหละบ่อยๆคืออนาคตดูไอศึกษาอนาคตมีมันศึกษาแป๊บเดียวดานสัญญารู้แต่ต่อมาเนี่ยเราก็ใช้ปัญญาเป็นมีดเห็นใครก็เป็นมีดผ่าเลยผ่าก็แยกชิ้นส่วนปุ๊บๆๆเราไปดูเองหมดผ่าตลอดผ่าตลอดใช้ปัญญาเจอใครก็จะผ่าจะมันก็จะผ่าผ่าผ่าลอกลอกลอกลอกเรียบร้อยแก้แกงี้ได้ไหมจังถ้าเกิดขึ้น ขึ้นกำลังขึ้นแล้วเราพิจารณาอย่างนั้นตลอดได้ได้ไม่ต้องเลยพิจารณาก่อนพิจารณาก่อนเลยใช่ไม่ใช่ว่าโอ้ยไปหัดว่ายน้ําตอนโดนน้ำ<อ>ตายสิอย่างนั้นเน<อ>ี่ยเขาต้องดูก่อนเตรียมตัวก่อนโอ้ยปิดนักกีลาเนี่ยไม่มีคนไหนไปไปไปไปฝึกตอนแข่งครั บ, รบมันฝึกไว้ก่อนนี่นนนเนี่ยฝึกตลอดเจออะไรเห็นฝึกตลอดฝึกตลอดเห็นเอามาผ่าชิ้นส่วนแยกแยกตลอดเรียบร้อย นางข้าวางข้าวเนี่ยกิเลหงอเลยยอมอูยอมยอมึงแล้วอุยยอมมึงแล้วกิเลศไ่อนันน่าจะบอกมกับผมนะอาจารย์าะเหมาสิพเองต้นหาจริตไงใช่มเนี่ยเออผมเอมากับผมเลยแหท่านเจงเนี่ยรงนี้ไปหาไม่ค้าเ่อไ่ะไม่แม่ค้าไม่ต้องไม่ต้องหาก็คิดออกแลนะ้วเนี่ยพิพพูดทีน้าลายทีบินวันทีแต่คือเราก็พูดโดยโดยปกตินะฮะลงทางเลย อี้ชายค้งสัญญาดับสัญญาดับทำเกินนเป็นเหมือนกันัมีคนฟังทำแล้วก็ทำรถลงทางเรียนเยเกือบเพลินแล้วไม่ได้ฉันเปนเลยดิดีอาจารย์อาจารย์หองอาจารย์จะหายอาจารย์ูดอะไรครับไอ้เวกดกันา จะเจอห้องน้ำแว้หน่อะอาจารย์ครับอาจารย์ไม่ไม่ใช่ส่งน้าเลยนเเห็นหครับนพว่นอาจารย์ทางขายจะผมไม่ได้ขาดผมไม่ได้ไมเป็นยาเลยก็ผมเป็นยาแก้ให้อาจารย์เนี่ยอาจารย์ขาดไม่ได้อาจารย์นานๆนะครับบอยู่ี่นพี่เินเสร็จคุณล้าแล้วก็วันไนกลับมาที่บนนี้ก็ได้นะครับวไอ ในตอนนี้หมดแล้วอยากจะหนีมันเยอะเนี่ย <c oughs> อขวอไรอยู่ได้ได้ความรู้อาจารย์โอ้โหไปช <c oughs> ั้นเหนื่อยไงว่าเอ็อยู่กันนะเนี่ยขอครัอคำไม่เป็นไรครับผมพยายามแก้ให้อาจารยมขอประโยชน์ จ, จ, าออนจากผมก่อนอาจารย์๋ยวผมก็ให้ป ร, ประโยชน์อาจารย์ครับโอ้โหแสดงว่าแรกเปลี่ยนประโยชน์ว่างั้นเละใช่ครับผมเป็นพอคาเก่ามาจ้ะ แล้วหมอหมอชามอไม่เ็นสีทองชาวไม่จะเป็นีอคนในโลกใบนี้โดยส่วนใหญ่มันติดขัดมันดำเนินชีวิตผิดแทบทางนั้นมันขาดในตัวปัญญานี่แหละนพัฒนาตัวปัญญาไม่พอมันก็ไปมั่วหมดเลยตามันบอดไงคนมันตาบอดใช่ไหมสเปสป่าไปทั่วสเปสป่าที่ข้างหน้าไม่มีีเข้าใจเลยอาจารย์ ไม่ตาบอดแล้จะทําะาวิ่งทั่วพ่อชนนุ้นชนไปเรื่อยแล้วมันไม่หยุดขยันสัทีเลยไม่นไม่สร้างตาคือปัญญาก่อนเนี่ยปขยันก่อนมีโอ้โหจริงอาจารย์ชาวชนี้ลุกจุมมั่งไปหมดะไปเห็นภาพบอกเลยไปคว้าหาไปทั่วใจจะมีของมส่อี่อาจารย์จะบอกว่าย่ารักษาสินง่าไปทาตามไปเป็นคนดีของสังคมแค่นี้ก็น่าจะโอเแล้วนะคือคือถ้าตาม การที่ผู้จักคือมันยังไม่บอม่บอย้วมันยังไม่นอ ก, ก็หลักการก็สังสารวัตรก็ประเด็นมันเรือตั้งหลักไว้แค่ไหนถ้าตั้งหลักอยากจะเป็นสัตว์เป้าเว็ดินก็ตั้งแบบนั้นแล้วก็บอกเขานี่ไหมแต่อยากต้องการอยากจะท่องเที่ยวในสังสารวัตรไปเรื่อยๆไปเกิดเป็นมนุษย์บางเป็นเทวดาบางเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นอะไรต่างต้องการอยากจะไปอย่างนี้ก็ไม่ยากก็ทําอย่างคุณทํำนั่นแหละเพราะว่ากิเลสในใจมีอยู่ต่อให้คุณรักษาศีลไปให้ทานไปก็เดียวแต่จะไม่เป็นหลักประกันชีวิตได้ไหมถ้ากิเลสในใจยังมีอยู่ กรรมที่ทําไว้ในอดีตเท่าไหร่คุณจะทํายังไงถ้าบาปกรรมมันตามไม่ผลคุณก็ตกนรกไม่ง่ายนี่แหละไม้เนี่ยกึ่งหัวกึ่งท้ายเนี่ยนะให้มันเท่ากันคุณโยนเนี่ยกำหนดทิศไม่ได้หรอกว่าตรงไหนมันจะลงตรงกลางก็ได้ท้ายหัวลงได้หมดแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันกําหนดทิศทางไม่ได้มันรู้ไม่ได้แต่ถ้าคนที่กิเลสเอากิเลสออกแล้วเนี่ยเขากำหนดได้เลยเขาไม่ลงอบบายภูมิถ้ากิเลสหมดก็ก็นิพพานหลักการมีแค่นี้ นั่นจะคิดธรรมดาก็ได้แต่คุณก็ต้องคุณก็เป็นสัตว์เป่าเป็นดินนะเพราะงั้นจะเขาจเป็นวัดตาขาโนุอ่ะเป็นตอของวตาไปเพราะงั้นจะเป็นตอของวัตาไปคุณก็ไม่ต้องออกแกะสังสารวัตมันแล้วก็อยู่ไปก็ถูกเหมือนไอ้มนุษย์สัตว์โลกทั้งหลายก็เหมือนคนติดคุกโซ่ตรวนทั้งหลายกิเลสก็เป็นโซ่ตรวนก็มัดผูกไปอาจารยองโดยที่คนถูกกับโซ่คล้องคอสุนัขถูกโซ่คล้องคอวัวควายถูกล่ามจมูก มัดอยู่แ น, น่น่ะมีความสุขไหมชีวิตมั้นน่ะมันก็สุขมือนนั้นนะ่ะแต่ไปไหนไม่ได้ไไดนั่นก็ถูกจมถูกชักถูกลากถูกลงโทษถึงเวลาเขาก็ลงไปฆ่าหมู <รอ S 1> สัตว์ <ไป S 1> ทั้งหลา ย, ลายก็เป็นอย่างนั้นแหละก็ถูกล่าก็ไปตูกลงฆ่าแล้วก็เชือ้อแล้วก็ตายไปนั่นก็เป็นทุ้วันอย่างเงี้ยก็เห็นเป็นไรถ้าเราโอเคกับชีวิตแบบนั้นเนะ่ยเคืองทางชีวิตเองเอ อ, ถ, เ อ, อถ้าคุณมีโอเคกับชีวิตอย่างนั้นก็ว่าไปไม่เป็นไร